t ฮ้ยสตูฮั l โหลฮัลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมเดนทกรคนชอบเล่าช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์เพื่ทดสอบกําลังใจมีเยอะมากครับเพราะว่าเมื่อเสร็จจากคลิปที่ผ่านมาครั้งล่าสุดจบก็ว่าจะเสริมคําบางประโยคลงไปทันใด น, นั้นเองก็กลับปรากฏว่าอยู่ๆไมค์ก็ไม่ทํางานขึ้นมาซะงั้งงนเช็คด้วยระบบสิสเทมของ Windows มันก็แจ้งว่าดีไวเออร์เรเผลอเครียดไปนิดนึงไม่รู้ว่ามันอะไรจะนักหนาเนี่ย คิดว่าอย่างน้อยคงไม่เจอกันอีก3าวันแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีเครื่องบันทึกเสียงก็เลยทําใจเย็นๆไว้ก่อนค่อยๆคิดค่อยๆแก้ทดลองหลายแบบทั้งถอดสายรีสตาร์ทเปลี่ยนช่องเสียบปรากฏว่าไม่เป็นผลก็ได้แต่แปลกใจว่าไม่เกิดอะไรขึ้นไปเล่นดนตรีกลับมาอาบน้ําสวดมนทําใจให้ปล่อยวางอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดพอตื่นนอนขึ้นมาลองดูอีกสักตั้งใช้วิธีเดิมเลยคิดว่าถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องไปหาซื้อใหม่มาใหม่แหละ สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นไม่ใช้ได้เดังเดิมก็แค่แจ้งข่าวให้ทราบกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสม่ำเสมอดู ว, ว่ามักจะมีธุระและเหตุผลแปลกๆเข้ามาอย่างนี้แหละเอาล่ะครับตอนนี้เราไปฟังเรื่องราวที่คุณบีเอ ก, กพันได้กรุณาแบ่งปันมาดีกว่าครับแล้เรื่องราวที่คุณบีแบ่งปันมาก็มีเนื้อความว่าสวัสดีครับมาลองฟังประสบการณ์เรื่องผีผีเรื่องเล่าที่คุณย่าและคุณปู่ทวดเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับชื่อเรื่องว่าอาถรรพ์น้ำมันไพล เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณลุงคุณย่าและคนในเครือญาติของผมเองขอยืนยันว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่แล้วซึ่งก็แน่นอนว่าตัวผมเองยังไม่ได้เกิดแต่นี้เป็นเรื่องที่คุณย่าท่านประสบมากับตัวเองแล้วก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปคืนก่อนหน้าที่ผมจะไปเยี่ยมคุณยา่าแล้วก็ได้รับฟังเรื่องผีน้ํามันพลายจากท่านดังที่ผมจะถ่ายทอดได้ฟังนี่แหละก่อนที่ผมจะไปเจอกับคุณยา่าแล้วก็ถามเรื่องผีผีสา ง, งจากท่านนั้นมันก็เหมืออนมีเหตุจจงงงใบบาาย่าครั เรื่องก็คือผมกับรุ่นพี่จะไปเยี่ยมเพื่อนต่างถิ่นกันซึ่งเพื่อนของเราเป็นชาวเขาครับชื่อก้องก่อนที่เราจะเดินทางไปหาเขานั้นเราก็ได้ข่าวว่าเขานะี่ยไปนอนเฝ้าไร่ข้าวโพดต่ำลาพังบนเขาซึ่งไร่ที่เขาไปนอนเฝ้านั้นก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านชาวเขาชาวดอยพอสมควรและจะว่าไปคนเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็นับถือผีกันด้วยเหมือนกับว่าไม่ได้นับถือศาสนาอะไรที่แน่นอนแล้วกว่าผมกับรุ่นพี่จะเดินทางไปกันได้ก็เผลอเรื่อยเฉียกันด้วย กว่าจะเดินทางไปถึงก็กินเวลาไปเกือบสี่ทุ่มได้พอเราไปถึงเราก็จอดรถแล้วก็พากันเดินเท้าต่อกันเข้าไปอีกหนึ่งโพดของพวกชาวเขาก็คือหนึ่งไร่ขโพดของเขานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ตอแห้งๆเขาเก็บกันไปหมดแล้วมีความสูงอยู่ที่ระดับเอวผมกับรุ่นพี่ก็พากันเดินไปมุ่งหน้าไปหาเพื่อนกล้องระหว่างที่เราสองคนกํนาลังเดินกันอยู่นั้นสายตาทั้งคู่ของเราสองคนก็เห็นสิ่งหนึ่งจู่ๆก็มีดวงไฟหนึ่งเกิดขึ้น เราสองคอนเห็นแสงไฟวาวับแวบๆสีส้มๆแดงๆอยู่ข้างหน้าเรามาองหน้ากันแต่เ e งียบไม่ได้พูดอะไรกันแล้วก็เหมือนจะรู้ใจกันอย่างดีพยักหน้าให้กันแล้วก็ค่อยๆพากันเดินย่องเข้าไปใกล้ๆพราะอยากรู้ว่ามันเป็นไฟอะไรเราเค่อยๆ ย, ย่องกันเข้าไปไฟอะไรหนอนนั่นปรากฏขึ้นได้อย่างไรเราย่องเข้าไปใกล้เข้าแล้วก็ใกล้เข้าจนได้ระยะประมาณ5้าถึงหวาเราหยุดมองหน้ากันแล้วก็ส่งสั ญ, ญญาณให้กัน แยกไปดักอีกทางหนึ่งให้รุ่นพี่ไปอีกทางหนึ่งเราแยกกันแล้วก็ย่องย่องแล้วพักเดียวนั่นเองเอ้ยกระสือไอบ้บีพี่กระสือไว้กระสือกระสือเสียงพี่เขาตะโกนแหกปากลัน่นผมสะดุ้งกําลังจะรีบวิ่งไปดูแล้วก็ต้องผ ง, งะสุดตัวเมื่อดวงไฟดวงนั้นดันมาโผล่ข้างหน้าผมระยะห่างแค่มือเอื้อมผมตกใจอะไรกันเนี่ทําไมมันไวมากเลยเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงจุดที่รุ่นพี่แหกปากเกือบสิเมตรแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันมาอยู่หน้าผม ผมองตะลึงไม่รู้จะทำยังไงทําอะไรไม่ถูกเลยจึงได้เผลิร้องตะโกนออกไปจับมันพี่จับมันเร็วยังไม่ทันจะสิ้นเสียงผมร้องมันก็หายไปแล้วมันก็ไปสว่างโผลแออ่แวบหางออกไปแวบห่างออกไปแล้วก็ไกลออกไปผมกับพื่นพี่รีบวิ่งไล่ตามแต่วิ่งตามยังไงก็ไม่ทันมันโผล่ทีก็แวบไป50เมตรดูแล้วไม่คงจะตกใจเราเหมือนกันจากเหตุการณ์ที่ผมกับพื่นพี่เจอถ้าที่ลองถามญาติกับคนรู้จักเขาก็บอกว่าเป็นผีกระสือ แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นมากับตาตัวเองและตาของรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันที่กระสือที่เราเห็นไม่มีไส้ครับมีแต่หัวผมเห็นชัดมากเพราะว่าระยะห่างแค่วาเดียวแล้วเราสองคนก็คงจะน่ากลัวเหมือนกันมันก็เลยกลัวเลยเร่งความเร็วหายไปจนลับตาและนี่ก็เป็นเหตุผลให้ผมมาถามคุณย่าว่ามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรครับใช่กระสือไหมคําตอบของคุณย่าก็คือทําอะไรบาบาฮะไม่กลัวเรื่องไงคนอื่นเขาเห็นเขากระต่างต่องลบๆซ่อนๆ มีแต่ข้ากลัวว่ากระสือมันจะทำร้ายเอาแต่นี่บ้าดันพากันเลยจับกระสือคราวหน้าคราวหลังอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะเล่นอะไรไม่รู้เพลงแผลงแลือย่าเคยเจอแบบนี้ไหมผมถามย่าไม่เคยเจอกระสือหรอกแต่เคยเจอและมีประสบการณ์กับผีน้ำมันพรายนะ่ะย่าตอบมาและต่อไปนี้ก็คือประสบการณ์ของคุณย่าเป็นเรื่องราวของผีน้ำมันพรายที่น้องชายคุณย่าซึ่งก็คือคุณลุงของผมเองอไปเอามาไว้ในบ้าน เรื่องมันก็มีอยู่ว่าน้องชายของคุณย่าซึ่งมีอยู่3มคนสมัยนั้นยังเป็นหนุ่มโสดทั้ง3มคนได้กระทําการแอบพากันไปเอาน้ํามันพรายที่ได้มาจากศพหญิงที่คลอดลูกได้ไม่กี่วันแล้วก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกก็คือจะผีตายทั้งกลมนั่นเองนํำใส่ตลับยาหมองแล้วก็นํามาเก็บไว้ที่บ้านซึ่งตอนนั้นตัวย่าเองก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันคือน้ํามันพรายคิดว่ามันเป็นตลับยาหมองธรรมดาตอนนั้นหลังจากยากกลับมาจากการท้างหยาในสวน เย็นวันนั้นยาก็รู้สึกขันเนื้อขันตัววิงเวียนเมืนคนจะเป็นไข้พอดียาเลี้วไปเห็นยาหมองวางใบบนตูุเก็บของแม่มันน่าจะดีนะเธอได้เอามาปีบนวดยาก็เลยเดินไปที่ตู้เก็บของแล้วก็หยิบมันมาย่าเปิดฝาตลับออกแล้วก็ใช้นิ้วแตะไปที่ยาหมองที่อยู่ข้างในตอนนั้นยาก็รู้สึกนะว่ามันเละๆเหลวๆยังไงก็ไม่รู้แต่ยาก็คิดว่ามันคงจะละลายเพราะความร้อนนั่นแหละแดดอาจจะส่องเข้ามาโดนมันล้วมั้ง ไม่เป็นไรเล้วก็เล้วไปยาก็คือยายาก็ควกักมาป่ายที่กระมับทั้งสองทางหมับและก็หมับและก็ทาคกึลึงๆไปและตอนนั้นเองยาก็เดือดร้อนว่า น, นี่มันไม่ใช่ยาหมองซะแล้วกลิ่นเป็นแ ม, นม่นเหม็นเหม็นไม่ๆเหมือนน้ามันหมูที่เก็บเอาไว้นานยาจําได้แค่นั้นแหละและยาก็หมดสติไปแต่ยาก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนสายของอีกวันย่าบอกให้ฟังว่าหลังจากนั้นท่านก็ปวดเมื่อยไปหมดทั่วทั้งตัว ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบดไหนจะทําอะไรจะเดินไปไหนมันก็หนักร่างกายมันรู้สึกหนักมากรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังแบกกระสอบข้าวสารย่างไงอย่างนั้นจะไปถางยญ้าที่สวนผักก็ไปไม่ไหวมันปวดเมื่อยมันล้าไปทั้งตัวยิ่งที่หลังกับเอวยิ่งหนักทานได้ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งระบมอยู่ทั้งวันจนตะวันตกดินทําได้อย่างเดียวคือราวๆสี่ห้าโมงเย็นท่านต้องไปตักน้ําใส่ถังมาวางไว้ที่หัวกระไดบ้านเพื่อเตรียมไว้ให้พ่อของท่านได้ใช้ล้างเท้าก่อนขึ้นเรือน เรืนคนสมัยก่อนมักจะปลูกบ้านทรงยกสูงเป็นส่วนมากซึ่งพ่อของคุณย่าก็คือคุณปู่ทวดของผมเองถือได้ว่าท่านเป็นจอมขมังเวทคนนึ่งเลยทีเดียวส่วนย่าก็ไม่รู้ว่าปู่ทวจะกลับมาถึงบ้านเวลาใดแน่ท่านจึงได้เข้านอนก่อนตั้งแต่หัวค่าเพราะรู้สึกไม่สบายแบบไม่ทราบสาเหตุย่านอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียและระบมเมื่อรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ไม่ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดบ้านมาเสียงดังตุ๊บ พอญยติได้ยินก็นึกว่าปู่ทวดกลับมาแล้วจึงร้องตะโกนออกไปว่าพ่อพ่อไม่มีเสียงใดขานรับท่านก็เลยร้องถามออกไปอีกทีพ่อน้ําล้างเท้าตักไว้ให้แล้วพ่อไม่เห็นเหรอที่าถามออกไปก็เพราะว่าญาติไม่ได้ยินเสียงตักน้ําล้างเท้าเลยคิดว่าปู่ทวดคงจะไม่เห็นถังน้ําละมังแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมามีแต่เสียงคนเดินขึ้นบันไดามาเรื่อยๆ เดินขึ้นมาช้าช้าญาติพยายามจะลุกขึ้นไปดูแต่ก็ลุกไม่ขึ้นตอนนี้อย่าว่าตะลุกเลยจะขยับตัวอะไรก็ทําไม่ได้ย่าตไม่เข้าใจว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทําได้แค่พียนตะโกนถามออกไปพ่อพ่อเหรอพ่อใช่พ่อหรือเปล่านะเงียบไม่มีเสียงใดตอบกลับมานอกจากเสียงเดินเป็นการเดินก้าวขึ้นบันไดมาแบบช้าช้าญาเริ่มรู้สึกกลัวมากเลยร้องถามออกไปอีกว่านัน่นๆันั่นใครอนะ่ะ ไม่มีเสียงตอบดังเดิมและเมื่อบันไดสุดขั้นทันใดนั้นเองประตูก็ค่อยๆเปิดออกอและสายตาของคุณย่าก็ต้องเบิกโพลงกับสิ่งที่เห็นมีอาการขนลุกเย็นว่าไปทั่วหลังนีสิ่งหนึ่งปรากฏอยู่หลังประตูที่เปิดสิ่งที่ปรากฏอยู่หลังประตูก็คือร่างของหญิงผมยาวและเหมือนกับว่าเธอกําลังอุ้มเด็กแรกเกิดอยู่ด้วย แม่เนื้อหนามนางนั้นมีสายตาดุดันยังกับโกรธแค้นเคืองอะไรคุณย่านักหนากําลังมองขเขม่งจ้องตรงมาที่คุณย่าสาคัญอีกอย่างก็คือสายตาที่ดุดันอาฆาตนั้นมันเหมือนจะถลนออกมานอกเบ้าเอาอยัางไงดีย่าคิดแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกเธอเป็นใครมาจากไหนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขยับตัวหนีก็ไม่ได้ระหว่างที่ย่ากํบาบังกลัวสับสนอยู่นั้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้น หญิงอุ้มเด็กที่ยืนอยู่หน้าประตูกำลังค่อยๆเดินก้าวเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาช้าๆมือข้างหนึ่งยกขึ้นยื่นไปทางยญ้ายากลัวสุดๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีขยับตัวก็ไม่ได้อึดอัดเหมือนจะตายให้ได้เลยบรรยากาศหลอนสิ้นดีผีแม่ลูกอ่อนกำลังใกล้เข้ามามันกำลังใกล้เข้ามาจาลังใกล้เข้ามาเกือบจะถึงเตียงที่ย่านอนอยู่มันยื่นมือเอื้อมจะจับตัวยา่า ย่พยายามดิ้นหนีสุดใจแต่ทำไม่ได้มันเอื้อมมาแย่าพยายามดิ้นเพราะความกลัวจนมือมันห่างจากย่าเพียงครึ่บเดียวเท่านั้นพลันสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นย่ารู้สึกว่าเตียงที่ย่านอนอยู่มันเริ่มลอยมือผีอไร้ายไม่ทันโดนตัวย่าเตียงลอยสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นย่ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรแต่ก็รู้สึกดีที่ไม่โดนผีมันจับได้ผีไม่ลูกอ่อนพยายามเอื้อมมือแต่ยังไงก็เอื้อมไม่ถึงตัวย่าแต่สิ่งที่ย่ากลัวก็คือแววตา ยังคงมองจ้องยาด้วยตาที่ดุดันและอาฆาตพร้อมกับมือที่ไม่หยุดเอื้อมสักทีและในห้วงเวลาแห่งความน่ากลัวนั้นพลันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นออกไปจากบ้านกูมาทางไหนไปทางนั้นแต่ผีตนนั้นเหมือนว่าไม่ได้ยินยังคงพยายามเอื้อมพยายามเข้าใกลใ้ถึงเตียงยาให้ได้ยาก็รู้สึกได้ว่าเตียงเหมือนจะยิ่งลอยห่างออกจากมันไม่ว่ามันจะพยายามเข้าใกล้เท่าไหร่แต่ก็เหมือนว่าไกลออกไปทุกทีและจู่ๆนั้นมันก็ร้อง มันร้องกรีดขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็หายไปในที่สุดเหตุที่มันหายไปและอยู่ต่อไม่ได้ย่าบอกว่าจะอยู่ต่อได้ยังไงล่ะเมื่อโดนน้ำมนต์ของปู่ทวดก็ไปเพียงตาหวัดเดียวที่เดียวก็หายไปเลยพอมันไปแล้วย่าก็ขยับตัวได้เป็นปกติตื่นก็ลอยลงมาตั้งหลกที่เดิมและย่าก็เห็นปู่ทวดกำลังถือขันตักน้ํายืนอยู่ที่หัวบันไดเมื่อย่าหายตกใจปู่ทวดก็เล่าให้ย่าฟังว่าตอนที่ปู่ทวดท่านกลับมาถึงบ้านกําลังจะตักน้ําล้างเท้าอยู่ พอดีรู้สึกผิดสังเกตขึ้นมารู้สึกได้ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นแน่จึงได้เอาคมป้องกันเสกน้ำมนต์แล้วก็รีบขึ้นไปดูส่วนเสียงขับไล่ผีที่ย่าได้ยินก็คือเสียงของปู่ทวดนั่นเองท่านยังบอกกับย่าอีกว่าโชคดีนะที่มาทันการพอดีและนี่แหละก็คือประสบการณ์ของย่าและเกี่ยวกับผีน้ํามันไพลนะ่ะครับก็จบลงกับประสบการณ์ของคุณย่าผมเอ๋อมีของผมด้วยตอนตอน้นส่วนเรื่องของน้ํามันพลทราบว่าปู่ทวดบอกให้ลุงเอาไปทิ้ง แต่ลุงเกิดความเสียดายแอเอาไปฝากไว้กับลุงอีกคนโดยที่โกโหกปู่ทวดว่าเอาไปเผาที่ป่าช้าแล้วและน้ำมันพลายจะอยู่กับใครที่ไหนนั้นเอาไว้โอกาสมาเหมาะจะมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับครับผมแล้วก็จบลงไปนะครับสําหรับเรื่องราวที่คุณบีเอกพันได้กรุณาแบ่งปันมาครับแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องราวครับที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแบ่งปันมาให้ถ่ายทอดก็ขอขอบพระคุณมากๆครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับ